ปาฏิเทศนิยสิกขาบทที่ห้าภิกษุณีออกป่าขอปลามาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัปาตปาฏิเทศนิยทุกๆุกคำกลืน